อังกุระเปตะวัตถุเรื่องอังกุระกับเปรตพรามพ่อค้าคนหนึ่งเห็นของทิพย์ออกจากมือรุขเทวดาจึงเกิดความโลภขึ้นได้บอกแก่อังกุระพาณิตว่าเราทั้งหลายนำทรัพย์ที่หาได้ไปสู่แคว้นกัมโพชะเพื่อประโยชน์ใดพวกเราจะนำเทพระบุิผู้ให้สิ่งที่เราต้องการจะได้นี้ไปเพื่อประโยชนนั้นพวกเราจะอ้อนวอนเทพบุตรนี้ หรือบังคับให้ขึ้นยานแล้วรีบเดินทางไปยังเมืองทวารวดีโดยเร็วอังกุระพาณิชเมื่อจะห้ามพราหมพ่อค้านั้นจึงได้กล่าวคาถาว่าบุคคลอาศัยนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดแม้แต่กิ่งของต้นไม้นั้นก็ไม่ควรหักเพราะผู้ปทุสร้ายมิตรเป็นคนเลวซามพราหมพ่อค้ากล่าวว่าบุคคลอาศัยนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด แม้ลำต้นของต้นไม้นั้นก็พึงตัดได้ถ้ามีความต้องการเช่นนั้นอังกุระพานิกล่าวว่าบุคคลอาศัยนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดแม้แต่ใบของต้นไม้นั้นก็ไม่ควรทำลายเพราะผู้ปทุสร้ายมิตรเป็นคนเลวซามพราหมณพ่อค้ากล่าวว่าบุคคลอาศัยนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดแม้ต้นไม้นั้นพร้อมทั้งรากก็พึงถอนได้ถ้ามีความต้องการเช่นนั้น อังคุระพานิกล่าวว่าด้วยว่าบุรุษพักอยู่ในเรือนของบุคคลใดเพียงหนึ่งคืนหรือได้ข้าวน้ําในที่อยู่ของบุคคลใดไม่ควรมีจิตคิดร้ายต่อบุคคลนั้นความเป็นผู้กตันยูสัต บ, บุรุษทั้งหลายสรนเสริญแล้วบุคคลพึ่งพักอยู่ในเรือนของบุคคลใดแม้เพียงหนึ่งคืนได้รับบํารุงด้วยข้าวและน้ําก็ไม่ควรมีจิตคิดร้ายต่อบุคคลนั้น บุคคลผู้มีมืออันไม่เบียดเบียนย่อมทำให้บุคคลผู้ประทุษร้ายมิดเดือดร้อนบุคคลใดทำความดีไว้ในการก่อนภายหลังกลับเบียดเบียนบุปการีชนด้วยความชั่วบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นคนอักตันยูย่อมไม่พบเห็นความเจริญบุคคลใดประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้ายเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเครื่องยียยน ความชั่วย่อมกลับมาถึงบุคคลนั้นซึ่งเป็นคนพานแน่แท้ดังทุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้นรุกเทวดาฟังคำโ ต, ต้ตอบของคนทั้งสองนั้นแล้วโกรธพราหมณ์จึงกล่าวว่าไม่เคยมีเทวดามนุษย์หรือผู้เป็นใหญ่คนใดจะมาข่มเหงเราได้โดยง่ายเราเป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์อย่างยอดเยี่ยมไปได้ไกลประกอบด้วยรูปสมบัติและกาลัง อังกุระพาณิชย์จึงถามรุกเทวดานั้นว่าฝ่ามือของท่านมีสีดังทองคำทั่วไปหมดส่งไว้ซึ่งวัตถุที่บุคคลอื่นปรารถนาด้วยนิ้วทั้งห้าเป็นที่ไหลออกแห่งวัตถุมีรสอร่อยรสต่างๆย่อมไหลออกเขาระเจาเข้าใจว่าท่านเป็นเท้าสักกะผู้ให้ทานในปางก่อนรุกเทวดาตอบว่าเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันทั้งไม่ใช่เท้าศักกะผู้ใหทานในปางก่อน อังกุระเอ๋ยท่านจงทราบว่าเราเป็นเปรตจุติจากโรรุวนครมาอยู่ที่ต้นไซนี้อังกุระพา น, นิษ์ถามว่าเมื่อก่อนท่านอยู่ในโรรุวนครท่านรักษาศีลเช่นไรมีความประพฤติ ช, ชอบอย่างไรและพรหมจรรย์อะไรผลบุญจึงสำเร็จที่ฝ่ามือของท่านรุกขเทวดาตอบว่าเมื่อก่อนเราเป็นช่างหหก อยู่ในโรรุวนครมีความเป็นอยู่แสนจะฝืดเคืองน่าสงสารในขณะนั้นเราไม่มีอะไรจะให้ทานเรือนของเราอยู่ใกล้เรือนของอาศัยหะเศรษฐีซึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเป็นใหญ่ในทานทําบุญไว้แล้วมีความละอายพวกยาจกวณิภกมีโคตรต่างกันไปที่บ้านของเรานั้นพากันถามเราถึงเรือนของอาศัยหะเศรษฐีนั้นว่า ขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายพวกเราจะไปทางไหนเขาให้ทานกันที่ไหนเราถูกพวกยาจบวนิพกถามแล้วจึงได้ชี้บอกเรือนของอาศัยหะเศรษฐีได้ยกมือเบื้องขวาชี้บอกเรือนของอาศัยหะเศรษฐีว่าท่านทั้งหลายจงไปทางนี้ความเจริญจกมีแก่ท่านทั้งหลายเขาให้ทานอยู่ที่เรือนของอาศัยหะเศรษฐีนั่นเพราะเหตุนั้น ฝ่ามือของเราจึงให้สิ่งที่น่าปรารถนาเป็นที่ลังออกแห่งวัตถุมีรถอร่อยเพราะการทำดีนั้นผลบุญย่อมสำเร็จที่ฝ่ามือของเราอังกุระพา น, นิถามว่าได้ยินว่าท่านไม่ได้ให้ทานแก่ใครๆด้วยมือทั้งสองของตนเป็นแต่ร่วมอนุโมทนาทานของผู้อื่นยกมือชี้บอกทางให้เพราะเหตุนั้นฝ่ามือของท่านจึงให้สิ่งที่น่าปรารถนา เป็นที่หลังออกแห่งวัตถุมีรสอร่อยเพราะการทำความดีนั้นผลบุญจึงสำเร็จที่ฝ่ามือของท่านท่านผู้เจริญอาศัยหะเศรษฐีผู้เลื่อมใสได้ให้ทานด้วยมือทั้งสองของตนและร่างมนุษย์แล้วไปยังทิศไหนหนอรุกคเทวดาตอบว่าข้าพเจ้าไม่รู้ทางไปหรือทางมาของอาศัยหะเศรษฐีผู้มีรัศมีสัานออกจากตน แต่เราได้ฟังมาในสำนักของเท้าวเวสวร์ว่าอาศัยหาเศรษฐีได้เป็นสหายของเท้าสักกะอังคุระพา น, นิศกล่าวว่าบุคคลควรทำความดีแท้ควรให้ทานตามสมควรใครเล่าได้เห็นฝ่ามือซึ่งให้สิ่งที่น่าปรารถนาแล้วจะไม่ทำบุญเราจากที่นี้ไปถึงเมืองทวารวดีจะรีบบำเพ็ญทานซึ่งจะนำความสุขมาให้เราแน่นอน จกให้ข้าวน้ำผ้าที่อยู่อาศัยบอ่อน้ำดื่มสระน้ำและสะพานในที่เดินลำบากเป็นทานอังกุระพาณิษถามรุ ก, กเทวดาว่าเพราะเหตุไรนิ้วมือของท่านจึงหิกงอหน้าของท่านจึงบิดเบี้ยวและในตาทั้งสองจึงเคอะด้วยขี้ตาท่านได้ทำบาปอะไรไว้รุ ก, กเทวดานั้นตอบว่าเราได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ในการให้ทาน ในโรงทานของข้าบดีผู้มีรัศมีซ่านออกจากตนมีศรัทธายังครองเรือนอยู่เห็นยาจกผู้ต้องการอาหารพากันมาที่โรงทานนั้นแล้วได้หลีกไปทำหน้างออยู่ณที่ข้างหนึ่งเพราะกรรมนั้นนิ้วของเราจึงหงอหน้าของเราจึงบิดเบี้ยวและในตาทั้งสองของเราจึงเครอะเราได้ทำบาปนั้นไว้อังคุระพา น, นิถามว่าแน่บุรุษเลวซาม สมควรแล้วที่ท่านมีหน้าบิดเปี้ยวในตาทั้งสองจึงเคระเพราะท่านได้ทำหน้างอต่อทานของผู้อื่นทำไมอาศัยหาเศรษฐีเมื่อจะให้ทานจึงได้มอบข้าวน้ำของเคี้ยวผ้าและที่อยู่อาศัยให้ผู้อื่นจัดแจงเราจากที่นี้ไปถึงเมืองทวารวดีจกรีบบำเพ็ญทานซึ่งจะนำความสุขมาให้แก่เราแน่นอน จกให้ข้าวน้ำผ้าที่อยู่อาศัยบ่อน้ําสระน้ําและสะพานในที่ที่เดินลําบากเป็นทานอังคุระพา น, นิดนั้นกลับจากทะเลทรายนั้นไปถึงเมืองทวารวดีแล้วเริ่มบําเพ็ญทานซึ่งจะนําความสุขมาให้ตนได้ให้ข้าวน้ําผ้าที่อยู่อาศัยบ่อน้ําสระน้ําด้วยจิตอันเลื่อมใสแล้วช่างกระระบบพ่อครัวชาวมคต พากันเป่าร้องในเรือนของอังกุรพาณิชนั้ น, นทั้งในเวลาเย็นทั้งในเวลาเช้าทุกวันว่าใครหิวจงมารับประทานตามชอบใจใครกระหายจงมาดื่มตามชอบใจใครจักนุ่มห่มผ้าจงมานุ่งห่มตามชอบใจใครต้องการยานพานะเทียมรถจงเลือกพานะที่ชอบใจจากหมู่พานะเทียมรถนี้แล้วเทียมเถิดใครต้องการร่มจงมาเอาร่มไป ใครต้องการของหอมจงมาเอาของหอมไปใครต้องการดอกไม้จงมาเอาดอกไม้ไปใครต้องการรองเท้าจงมาเอารองเท้าไปชนย่อมยกย่องเราว่าอังคุระพานิทนอนเป็นสุขสินธุมานบเอ๋ยเพราะไม่เห็นเหล่าชนผู้ขอเราจึงนอนเป็นทุกขชนย่อมยกย่องเราว่าอังคุระพานิทนอนเป็นสุขสินธุมานบเอ๋ย เมื่อวั น, นิพกมีน้อยเราจึงนอนเป็นทุกข์สินทูมานพได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าถ้าเท้าศักกะผู้เป็นใหญ่กว่าชาวดาวดึงและเป็นใหญ่กว่าชาวโลกทั้งปวงพึงประทานพรแก่ท่านเมื่อท่านจะเลือกท่านจะเลือกขอพรเช่นไรอังกุระพานิกล่าวว่าถ้าเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าชาวดาวดึ ง, าา ง, งพึงประทานพรแก่เราเราจะพึงขอพอรว่า เมื่อเราลุกขึ้นแต่เช้าในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพักษาหารอันเป็นทิพย์และเหล่าชวนผู้ขอซึ่งมีศีลพึงปรากฏขึ้นเมื่อเราให้อยู่ทายธรรมไม่พึงสิ้นไปครั้นเราให้ทานนั้นแล้วไม่พึงเดือดร้อนในภายหลังเมื่อกำลังให้พึงยังจิตให้เลื่อมใสข้าพเจ้าพึงเลือกขอพร อ, อย่างนี้กับเท้าสักกะโซนกะบุรุษกล่าวเตือนอังกุระพาณิชว่า บุคคลไม่ควรให้ซัพย์เครื่องปลื้มใจทั้งหมดแก่บุคคลอื่นควรให้ทานและควรรักษาซัพย์ไว้เพราะว่าทรัพย์เท่านั้นประเสริฐกว่าทานเพราะการให้ทานเกินประมาณสกุลทั้งหลายจะล่มจมบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญการไม่ให้ทานและการให้เกินควรเพราะเหตุนั้นแหละทรัพย์เท่านั้นประเสริฐกว่าทานประเพณีแห่งการให้ทานและการไม่ให้เป็นธรรมเนียมของบุคคลผู้เป็นนักปราชถน พึงเป็นไปโดยพอเหมาะอังกุระพานิกล่าวว่าชาวเราทั้งหลายดีหนอเราพึงให้ทานแน่แท้ด้วยว่าสัพบรุษทั้งหลายผู้สงบระงับพึงคบหาเราเราพึงทําความประสงค์ของวั น, นิพกทั้งปวงให้เต็มเลี้ยงดูให้อิ่มน้ําเปรียบเหมือนฝนตกทําที่ลุ่มทั้งหลายให้เต็มบุคคลผู้มีสีหน้าผ่องใสเพราะเห็นเหล่าชนผู้ขอครั้นให้ทานแล้วมีใจเบิก บ, บาน ข้อนั้นเป็นความสุขของบุคคลผู้อยู่ครองเรือนบุคคลผู้มีสีหน้าผ่องใสเพราะเห็นเหล่าชนผู้ขอครั้นให้ทานแล้วมีใจเบิกบานนี้เป็นความถึงพร้อมแห่งยันบุญก่อนแต่ให้ก็มีใจดีเมื่อกําลังให้ก็ทำจิตให้เลื่อมใสครั้นให้แล้วก็มีใจเบิกบานนี้เป็นความถึงพร้อมแห่งยันพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายกล่าวเป็นคาถาว่า ในเรือนของอังกุรพาณิชผู้มุ่งบุญเขาให้โภชนะแก่หมูชนวันละห0 0 0ื่นเล่มเกวียนเป็นนิดพ่อครัวสา0พันคนประดับด้วยต่างหูแก้วมณีเป็นผู้ขนขวายในการให้ทานพากันเข้าไปอาศัยอังกุระพาณิชเลี้ยงชีพมานพห0หมื่นคนประดับด้วยต่างหูแก้วมณีช่วยกันผ่าฟืนในมหาทานของอังกุระพาณิชนารี16นึ่พันคน ประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงช่วยกันบวชเครื่องเทศสำหรับปรุงอาหารในมหาทานของอังกุระพาณิสนารีอีกหนึ่งมืนคนประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงถือทัพพีเข้าไปยืนคอยรับใช้ในมหาทานของอังกุระพาณิสอังกุระพาณิสนั้นได้ให้ของเป็นอันมากแก่คนจำนวนมากโดยประการต่างๆได้ทาความเคารพและความเลื่อมใสในกษัตริย์ด้วยมือของตนบ่อย ให้ทานโดยประการต่างๆสิ้นกาลนานอังกุระพาณิชย์บำเพ็ญมหาทานให้เป็นไปแล้วตลอดเดือนตลอดปักตลอดฤดูตลอดปีเป็นอันมากตลอดกาลนานอังกุระพาณิชนั้นได้ให้ทานบูชาแล้วอย่างนี้ตลอดกาลนานและร่างมนุษย์แล้วได้ไปบังเกิดในภพเดวดึงอินทรกระมานบถวายภิกษาทั พ, พีหนึ่งแก่พระอนุรุธทธเถระ และร่างมนุษย์แล้วได้ไปบังเกิดในภพดาวดึงแต่อินทกะเทพบุตรรุ่งเรืองยิ่งกว่าอังกุระเทพบุตรโดยฐานะสิบอย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะที่น่ารื่นรมย์ใจอายุยศวันนะสุขและความเป็นใหญ่ยิ่งพระผู้มีพระภาคตร ถ, ถามว่าอังกุระท่านให้มหาทานสิ่งกาลนานมาในสำนักของเรา จึงนั่งอยู่ไกลนะักครั้งที่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุรุษสูงสุดประทับอยู่ที่บรรทุกัมพลศิลาอาจที่โคนต้นปาริฉัตตะกระพฤกณภนะพดาวดึงเทวดาในหมื่นโลกธาตุพากันมานั่งประชุมเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่บนยอดเขาไม่มีเทวดาตนไหนมีผิวพรรณงามรุ่งเรืองยิ่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นงดงามรุ่งเรืองยิ่งกว่าเทวดาทั้งปวงครั้งนั้นอังกุระเทพบุตรนี้อยู่ในที่ไกลส2องโยชนจากที่พระาศาสดาประทับอยู่ส่วนอินทกะเทพบุตรนั่งอยู่ในที่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารุ่งเรืองยิ่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นอังกุระเทพบุตรและอินทกะเทพบุตรเมื่อจะทรงประกาศพระทักขินยะบุคคล จึงได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าอังคุระเทพบุตรท่านให้มหาทานสิ้นกาลนานมาในสำนักของเราฉไันจึงนั่งอยู่ไกลนักอังคุระเทพบุตรผู้อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อบรมพระองค์เองทรงตักเตือนแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าจะประสงค์อะไรด้วยทานของข้าพระองค์นั้นซึ่งว่างจากพระทักนิยะบุคคลอินทกะเทพบุตรนี้ให้ทานนิดหน่อย รุ่งเรืองยิ่งกว่าค่าพระองค์ดังดวงจันทร์รุ่งเรืองยิ่งกว่าหมู่ดาวอินทกะเท พ, พบุตรกราบทูลว่าพืชแม้มากที่บุคคลหวานลงในนาดอนย่อมมีผลไม่ไพยบูนทั้งไม่ทำชาวนาให้ปลื้มใจฉันใดทานมากมายที่บุคคลตั้งไว้ในบุคคลผู้ทุศีลย่อมมีผลไม่ไพบูนทั้งไม่ทาทายกให้ปลื้มใจก็ฉันนั้นเหมือนกัน พืชแม้น้อยที่บุคคลวานลงในนาดีเมื่อฝนตกสมำเสมอผลย่อมทำชาวนาให้ปลื้มใจฉันใดอุปการะแม้น้อยที่บุคคลทำแล้วในท่านผู้มีศีลมีคุณความดีผู้คงที่บุญย่อมกลับมีผลมากฉันนั้นเหมือนกันควรเลือกให้ทานในเคที่บุคคลให้แล้วมีผลมากทายกเลือกให้ทานแล้วจึงไปสู่สวรรค์ ทานที่เลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญทานที่ทายกให้ในพระทักขินยบุคคลทั้งหลายซึ่งยังอยู่ในมนุษยโลกนี้ย่อมมีผลมากเหมือนพืชที่หวานลงในนาดีอังกุระเปตวัตุที่9จบ อุตระมาตุเปติวัตถุเรื่องนางเปรตมารดาของอุตรมาโนบนางเปรตผู้มีผิวพรรณหน่าเกลียดหน้ากลัวเข้าไปหาภิกษุนั้นผู้อยู่ในที่พักกลางวันซึ่งนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําคงคานางมีผมยาวห้อยลงมาจดพื้นดินมีผมปกคลุมอยู่แล้วเรียกล่าวกับสมณะนั้นดังนี้ว่า ตั้งแต่ดิฉันตายจากมนุษย์โลกเป็นเวลา55ปีแล้วยังไม่ได้กินข้าวและดื่มน้ำเลยขอท่านจงให้น้ำดื่มแก่ดิฉันผู้กระหายน้ำด้วยเถิดเจ้าค่ะภิกษุนั้นกล่าวว่าแม่น้ำคงคานคงคานี้มีน้ำเย็นไหลามาจากภูเขาหิมะพานเธอจงตักน้ำจากแม่น้ำคงคานั้นดื่มเถิดจะมาขอเราทำไมนางเปรตนั้นตอบว่าท่านผู้เจริญ ถ้าดิฉันตักน้ำเนี่ยแม่น้ำคงคาเดิมเองน้ำนั้นจะกลายเป็นเลือดเพราะผลแห่งบาปกรรมของดิฉันเพราะฉะนั้นดิฉันจึงขอน้ำดื่มภิกษุนั้นถามว่าเมื่อก่อนเธอได้ทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรน้ำในแม่น้ำคงคาจึงกลายเป็นเลือดปรากฏแก่เธอนางเปรตนั้นตอบว่าดิฉันมีลูกชายคนหนึ่งชื่ออุตระ เป็นอุบาสกมีศรัท ธ, ธาและเขาได้ถวายจีวรบินตาบา ท, ที่นอนที่นั่งและยาสำหรับแก้ไข้แก่สมณะทั้งหลายด้วยความไม่พอใจของดิฉันดิฉันถูกความตรหนีครอบงำได้ด่าเขาว่าเจ้าถวายจีวรบินฑบา ท, ที่นอนที่นั่งและยาสำหรับแก้ไข้ด้วยความไม่พอใจของแม่เจ้าอุตระสิ่งนั้นจงกลายเป็นเลือดปรากฏแก่เจ้าในปราโลก เพราะผลกรรมนั้นน้ำในแม่น้ำคงคาจึงกลายเป็นเลือดปรากฎแก่ดิฉันอุตรมาตุเปติวัตุที่ 11. สิบจบสิบเอ็ดสุตตะเปตะวัตุเรื่องหญิงผู้ถวายได้ได้ไปอยู่กับเปรตหญิงคนหนึ่งไปอยู่กับเวมาเนกเปรตเป็นเวลาเจ0ร้อปีเกิดความเบื่อหน่ายจึงกล่าวกับเวมาเนกเปรตนั้นว่าเมื่อก่อน ฉันได้ถวายได้แก่ภิกษุซึ่งเข้าไปขอถึงเรือนของฉันฉันได้สวยวิบากซึ่งเป็นผลแห่งการถวายได้นั้นอันหนึ่งผ้ามากมายหลายโกรธบังเกิดมีแก่ฉันวิมานของฉันดาระรดาดไปด้วยดอกไม้น่ารื่นรมแสนจงงดงามทั้งเทพบุตรุเทพธิดาพากันมาชมไม่ขาสายฉันเลือกใช้สอยนุ่งและห่มตามปรารถนาถึงเพียงนี้ สัพววัตถุซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจมากมายก็ยังไม่สิ้นไปฉันได้รับความสุขและความสำราญในวิมานนี้เพราะอาศัยวิบากแข่งกรรมนั่นเองกลับไปยังมนุษย์โลกแล้วจกทําบุญให้มากขึ้นลูกเจ้าขอเจ้าจุงนำฉันกลับไปยังมนุษย์โลกเถิดเวมานิกระเปรกล่าวว่าท่านมาอยู่ในวิมานนี้กว่าเจร้อปีเป็นคนแก่เท่าแล้ว จะไปอยู่ในมนุษย์โลกทำไมอนหนึ่งญาติของท่านตายไปหมดแล้วท่านจากเปตะโลกนี้ไปยังมนุษย์โลกนั้นแล้วจะทำอะไรได้หญิงนั้นกล่าวว่าเมื่อฉันอยู่ที่วิมานนี้เจดปีได้สวยที่ผสมบัติและความสุขอิม่ม้นำแล้วกลับไปยังมนุษย์โลกตามเดิมจากทำบุญให้มากลูกเจ้าขอท่านจงนำฉันไปยังมนุษยโลกเถิด เวมานิกเปรดนั้นจับแขนหญิงนั้นนำกลับไปส่งยังบ้านที่นางเกิดและเจริญวัยแล้วพูดกับหญิงนั้นซึ่งกลายเป็นหญิงแก่มีคำลังน้อยที่สุดว่าเธอจงบอกชนแม่อื่นในที่นี้ว่าท่านทั้งหลายจงทาบุญจะได้รับความสุขมนุษย์ทั้งหลายย่อมเดือดร้อนเหมือนเปรตทั้งหลายที่เราเห็นแล้วเดือดร้อนอยู่เพราะไม่ได้ทำกรรมดีไว้ก็หมูสัตว์คือเทวดาและมนุษย์ ทำกรรมมีสุขเป็นวิบากแล้วเป็นผู้ดำรงอยู่ในความสุขสุตตะเปตะวัตถุที่สิบเอ็ดจสิบสองกันนมุนทะเปติวัตถุเรื่องนางเปรตผู้ถูกสุ น, นัก กันณะมุนทะกัดกินเนื้อพระเจ้าพระราศีตรัสถามนางเวมานิกาเปรตว่า s a โ h a ครณีมีน้ําใสเย็นมีบันไดทองคํามีพื้นดาดด้วยทรายทองคําใน s a โ h a ครณีนั้นมีต้นไม้สวยงามมีกลิ่นหอมโยนใจดาดเดินไปด้วยหมูไม้นานาพันธุ์ตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมต่างๆดารดาษไปด้วยบัวนาน า, นาชนิดรอยล้อมไปด้วยบัวขาว มีกลิ่นหอมเจริญใจยามต้องลมรำเพยพัดก็ช่วยกลิ่นหอมระเรื่นฟุ้งขจรไปเรางมไปด้วยเสียงโหงและนกเกรเรียนนกจักระภาคมาส่งเสียงร้องไพเราะจับใจควักควายไปด้วยฝูงที่ชาชาตินานาชนิดมีเสียงร้องของนกนานาชนิดไพเราะจับใจมีไม้ผลไม้ดอกนานาพันธุ์ไม่มีเมืองใดในมนุษย์เหมือนเมืองของท่านนี้ปราสาทของท่านมีมาก สำเร็จแล้วด้วยทองคําและเงินสองแสงสว่างโชติช่วงโดยรอบทั้งสี่ทิศทาสีห้าร้อยคนประดับด้วยกำไรทองคํานุ่งห่มผ้าทองคําคอยบำเรอท่านท่านมีบรรลังทองคําและเงินจํานวนมากปูลาดด้วยหนังชมดและผ้าโกเชาที่เขาจัดเตรียมไว้แล้วท่านจะเข้าบรรทมบนบรลังใดก็สำเร็จสมประสงค์ทุกอย่างเมื่อถึงเที่ยงคืนท่านลุกจากบรรลังนั้นไป ลงไปสู่สวนรอบสะโบครณียืนอยู่ที่ริมสะนั้นซึ่งมีหญ้าเขียวอ่อนนุ่มท่านใดนั้นสุนักชื่อกันนามุนทกะก็ขึ้นมาจากสะนั้นกัดอวัยวะน้อยใหญ่ของท่านเมื่อใดท่านถูกสุนักกัดกินเหลือแต่ร่างกระดูกเมื่อนั้นท่านจึงลงสะโบครณีร่างกายก็กลับเป็นเหมือนเดิมภายหลังจากเวลาที่ลงสะโบครณี ท่านกลับมีอวัยวะน้อยใหญ่บริบูรณ์งดงามดูน่ารักนุ่งห่มผ้ามาสู่สำนักเราเมื่อก่อนท่านได้ทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรสุนักกันนะมุนตกะจึงกัดกินอวัยวะน้อยใหญ่ของท่านนางเวมานิ ก, กะเปรกกราบทูลว่ามีข้าอภิีคนหนึ่งเป็นอุบาสกมีศรัทธาอยู่ในเมืองกิมพิลา หม่อมฉันเป็นพัญญาของเขาเป็นคนทุศีลประพฤตินอกใจเขาเมื่อหม่อมฉันประพฤตินอกใจเขาสามีจึงพูดดังนี้ว่าการที่เธอประพฤตินอกใจฉันแล้วปกปิดไว้เป็นการไม่เหมาะไม่สมควรและหม่อมฉันนั้นเดือกกล่าวเทศสาบานอย่างไร้ยแรงว่าฉันไม่ได้ประพฤตินอกใจท่านทางกายหรือทางใจถ้าฉันประพฤตินอกใจท่านทางกายหรือทางใจขอให้สุนัข ก, กันณนะมุนตกะตัวนี้ จงกัดกินอวิวะน้อยใหญ่ของฉันเถิดผลกรรมชั่วและการกล่าวเท็จทั้งสองนั้นหม่อมฉันได้เสวยแล้วเป็นเวลา700ร้อปีเพราะกรรมอันชั่วช้าสุนักกันณมุนตะกะจึงกัดกินอวิวะน้อยใหญ่ของหม่อมฉันขอเดชะพระองค์ผู้ประเสริฐพระองค์ทรงมีอุปการะแก่หม่อมฉันมากเสด็จมาณที่นี้เพื่อประโยชน์แก่หม่อมฉันหม่อมฉันพ้นแล้วจากสุนัขกันณมุนตะกะ หายโศกไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆขอเดชะมอมฉันขอถวายบังคมพระองค์ขอประนมอัญเชลีวิงวอนว่าขอพระองค์จงสเสวยกามสุขอันเป็นทิพย์รื่นรมอยู่กับมอมฉันเถิดเพคะพระราชาตรัสว่าฉันสเสวยกามเุขอันเป็นทิพย์และรื่นรมกับเธอแล้วเชิญเถิดนางงามฉันอ้อนวอนเธอขอจงรีบนาฉันกลับเถิด กันนะมุนทะเปติวัตุที่12จบ 13. อุพรีเปตะวัตุเรื่องพระนางอุพรีกับเปรตพระเจ้าพรหมาทาัตผู้เป็นใหญ่ในแคว้นปัญจาละเมื่อวันเคินล่วงไปล่วงไปพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วพระนางอุพรีเมเหสีของพระองค์เสด็จไปยังพระเมรุมาตรแล้วทรงกันแสงอยู่ เมื่อไม่เห็นพระเจ้าโพรมทัตก็ส่งกันแสงว่าโพรมทัตโพรมทัตอันนึ่งดาบทผู้เป็นมุนีสมบูรณ์ด้วยจรณะได้มาที่นั้นและได้ถามชนทั้งหลายที่มาประชุมกันในที่นั้นว่านี่เป็นเมรุ ม, มากของใครซึ่งตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมต่างๆ่างหญิงนี้เป็นพันยาของใครเมื่อไม่เห็นพระเจ้าโพรมทัตผู้เป็นใหญ่ซึ่งเสด็จจากมนุษยโลกนี้ไปไกลคร่ครวญอยู่ว่า พระมทัตพระมทัตฝ่ายชนที่มาประชุมกันอยู่ในที่นั้นตอบว่าท่านผู้เจริญผู้นิรทุกข์นี้เป็นพระเมรุ ม, มาตของพระเจ้าพระมทัตหญิงนี้เป็นพระเมเหสีของเท้าเธอนี้เป็นพระเมรุ ม, มาตของเท้าเธอซึ่งตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมต่างๆหญิงนี้เป็นพระเมเหสีของเท้าเธอเมื่อมีเห็นพระเจ้าพระมทัตพระราชาสวามี ซึ่งเสด็จจากมนุษย์โลกนี้ไปไกลจึงทรงกันแสงอยู่ว่าพรมทัตพรมทัตดาบทจึงทูลถามว่าพระราชาผู้มีพระนามว่าพรมทัตแปดหมหกพันพระองค์ถูกเผาในป่าช้านี้บรรดาพระเจ้าพรมทัตเหล่านั้นพระนางทรงกันแสงถึงพระเจ้าพรมทัตองคไหนพระนางอุปรีตรตอบว่าท่านผู้เจริญ ดิฉันเศร้าโศกถึงพระราชาผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจุลณีเป็นใหญ่ในแคว้นปัญจาละซึ่งเป็นพระราชสวามีทรงประทานสิ่งของที่น่าปรารถนาทุกอย่างดาบททูลถามว่าพระราชาทุกพระองค์ทรงพระนามว่าพระมทั์เหมือนกันทั้งหมดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจุลณีทรงเป็นใหญ่ในแคว้นปัญจาละ พระนางเป็นพระมเหสีของพระราชาเหล่านั้นทุกพระองค์โดยลําดับเหตุไรจึงละเว้นพระราชาองค์ก่อนๆเสียแล้วมาเศร้าโศกถึงพระราชาองค์สุดท้ายเล่าพระนางอุปรีตรัสตอบว่าท่านผู้นีรัทุกข์ตลอดเวลาอันยาวนานดิฉันเกิดเป็นสตรีเท่านั้นไม่เคยเกิดเป็นบุรุษบ้างหรือท่านพูดถึงแต่การที่ดิฉันเป็นสตรีในการวินไหายตายเกิดเป็นอันมาก ดาบทูลตอบว่าบางคราวพระนางเกิดเป็นสตรีบางคราวเกิดเป็นบุรุษบางคราวเกิดเป็นปศุสัตว์ที่สูดแห่งอัตภาพทั้งหลายที่ผ่านมาที่เข้าถึงความเป็นหญิงเป็นต้นนั้นย่อมไม่ปรากฏอย่างนี้พระนางอุภรีตรัสว่าท่านช่วยรถดิฉันผู้เร่าร้อนให้สงบดับความกรนกระวายทั้งหมดเหมือนคนช้น้าราดดับไฟที่ติดเปลียง ผู้ที่ช่วยให้ดิฉันผู้กาลังเศร้าโศกถึงพระสวามีให้บรรเทาลงได้ชื่อว่าได้ช่วยถอนลูกศรคือความโศกที่เสียพะไทยของดิฉันแล้วหนอพระมหามุนีดิฉันซึ่งท่านถอนลูกศรคือความโศกได้แล้วก็เย็นสงบไม่เศร้าโศกไม่กันแสงอีกเพราะได้ฟังคาของท่านพระนางอุภรีฟังคาสุภาษิต ข, ของปราบทผู้เป็นสมณะนั้นแล้ว ถือบาจีวร อ, ออกบทเป็นบรรปะชิตครั้นออกบทแล้วเป็นผู้สงบเจริญเมตตาจิตเพื่อบังเกิดในพรหมโลกพระนางเมื่อเที่ยวจากบ้านหนึ่งไปยังบ้านหนึ่งไปยังนิคมและราชธานีทั้งหลายได้เสดส ว, วรรคตที่บ้านอุรุเวลาพระนางเบื่อนายการเกิดเป็นหญิงเจริญเมตตาจิตเพื่อบังเกิดในพรหมโลกจึงได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้ว อุภรีเปตะวัตถุที่13จบอุภริวักที่สองจบรวมเรื่องเปรตที่มีในวักนี้คือ 1. สังสาระโมจกะเปติวัตถุ 2. สารีป ต, ตะเทระมาตุเปติวัตถุ 3. มัตตาเปติวัตถุ 4. นันทาเปติวัตถุ 5. มัถกุลทรีเปตะวัตถุ 6. กันหาเปตวัตถุ 7. ธนปาละเศรษฐิเปตวัตถุ 8. จูลเศรษฐิเปตวัตถุ 9. อังคุระเปตวัตถุ 10. อุตรมาตุเปติวัตถุ 11. สุตตะเปตวัตถุ 12. กันนบุนทะเปติวัตถุ 13. อุพรีเปตวัตถุ จูลวักหมวดเล็ก 1. อภิชฌานะเปตวัตถุเรื่องเปรตผู้เดินทวนกระแสน้นำอันไหลไม่ขาดสายโกเริยมหาอมาตย์ของพระเจ้าพิมพิสารถามเปรตตนหนึ่งว่าท่านเปลือยกายเหมือนกับเปรตเครื่องท่อนทัดทรงดอกไม้ตกแต่งร่างกายเดินอยู่ในที่นี้ซึ่งมีน้ำในแม่น้ำคงคาไหลไม่ขาดสาย ท่านจะไปไหนนะเปรตท่านอยู่ประจาที่ไหนพระสังคีติกาจาร์กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าเปรตนั้นกล่าวว่าเขาพระเจ้าจะไปยังบ้านจุนทัิละซึ่งอยู่ในระหว่างวาสภาคามกับกรุงพาราณสีอันหนึ่งมหาอมาซึ่งปรากฏชื่อว่าโกริยะเห็นเปรตนั้นแล้วจึงได้ให้ข้าวสัตรุและผ้าสีเหลืองคู่หนึ่งแก่เปรตเมื่อเรือหยุด ได้สั่งให้เสียงของเหล่านั้นแก่อุบาสกผู้เป็นช่างกระบกผ้านุ่งผ้าห่มก็ปรากฏแก่เปรตทันทีในขณะที่มหาอมาตย์ได้ให้ผ้าคู่หนึ่งแก่อุบาสกซึ่งเป็นช่างกระบกลำดับนั้นเปรตนั้นนุ่งห่มผ้าเรียบร้อยทัดทรงดอกไม้ตกแต่งร่างกายอย่างสวยงามทักษิณาย่อมสำเร็จแก่เปรตผู้ดำรงอยู่ในฐานะเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาพึงให้ทานบ่อยๆ เพื่ออนุเคราะห์เปรตทั้งหลายเปรตเหล่าอื่นบางพวกนุ่งผ้าคิ้วขาดรุ่งริ่งบางพวกนุ่งเส้นผมหลีกไปยังทิศน้อยใหญ่เพื่อหาอาหารบางพวกวิ่งไปแม้ในที่ไกลกลับมาโดยไม่ได้อะไรเลยบางพวกหิวจัดจนเป็นลมล้มสลบกลิ้งไปบนพื้นดินบางพวกไม่ได้ทําความดีไว้ในชาติก่อนไม่ได้อะไรเลย ล้มกลิ้งบนพื้นดินเหมือนถูกไฟเผาอยู่กลางแดดประสบความเดือดร้อนคร่ำครวญว่าในชาติก่อนพวกเราเป็นหญิงแม่เรือนเป็นมารดาทารกในตระกูลเป็นคนมีบาปเมื่อไทยธรรมมีอยู่ไม่ได้ทำที่พึ่งให้แก่ตนแม้ข้าวและน้ำมีมากแต่เราไม่ได้แจกจ่ายให้ทานและไม่ได้ถวายอะไรแก่บรรพิตผู้ปฏิบัติชอบอยากทาแต่กรรมที่คนดีไม่พึงทา เป็นคนเกียดคร้านใคร่แต่ความสําราญและกินจุแม้ผู้ที่เฮก้อนข้าวปฏิคาหกเพียงคําหนึ่งตนก็ยังดา่าเรือนคนรับใช้ชายหญิงและผ้าอาภรณ์เหล่านั้นเป็นของพวกเราแต่คนเหล่าอื่นเอาไปใช้สอยพวกเราจึงประสบแต่ทุกข์ช่างจักสารก็ดีช่างหนังก็ดีคนประทุษร้ายมิตรก็ดีคนจันทานก็ดีคนกําพร้าก็ดีช่างกระบอกก็ดี มักถูกดูหมิน่นอยู่ร่ำไปเปรตทั้งหลายจุติจากเปตะวิสัยแล้วย่อมเกิดในตระกูลเหล่านั้นซึ่งเป็นตระกูลต่ำและขัดสนนี้เป็นที่เกิดสำหรับคนตรณีส่วนคนทั้งหลายทำความดีไว้ในชาติปางก่อนมีปกติให้ปราศจากความตรณีพวกเขาย่อมทําสวรรค์ให้เต็มบริบูรณ์และเปล่งรามีสว่างสวัยทั่วนันทวัน บริโภคกามคุณตามความปรารถนาเรื่นรมในเวชยันตประสาทจุติจากเทวโลกนั้นแล้วย่อมเกิดในตระกูลสูงมีโภคสมบัติมากเคยเกิดในตระกูลแห่งบุคคลผู้มีบริวารยศซึ่งมีคนเถอพัดแววหางนกยูงคอยพัดอยู่บนบันลังที่ปูลาดด้วยผ้าขนสัตว์ในเรือนยอดและประสาทราชมลเทียนในเวลาเป็นทารกก็ทัดทรงดอกไม้ตกแต่งร่างกาย หมูญาติและพี่เลี้ยงนางนมผลัดกันอุ้มเหล่าพี่เลี้ยงนางนมปราถนาความสุขพากันบำรงอยู่ทั้งเช้าและเย็นป่าใหญ่ของเหล่าเทพชั้นเดวดดงซึ่งปราศจากความเศร้าโศกน่ารื่นรมยินดีเป็นสถานที่ซึ่งดิฉันได้แล้วนี้ย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้แต่ย่อมมีแก่ผู้ที่ได้ทำบุญไว้เท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้ย่อมไม่มีความสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าแต่ผู้ที่ได้ทำบุญไว้แล้วย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าผู้ปรารถนาจะอยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นเดวเดึองเหล่านั้นต้องทำบุญกุศลไว้ให้มากเพราะว่าเราชนผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมเพียบพร้อมด้วยโโขสมบัติร่าเริงบันเทิงอยู่ในสวรรค์ อภิชะมานะเปตะวัตุที่หนึ่งจบ 2. สานุวาสีเทระเปตะวัตุเรื่องเปรตญาติของพระสานุวาสีเทระพระเทระชาวกุนทินครรูปหนึ่งซึ่งอยู่ประจำที่ภูเขาสานะมีชื่อว่าโปธปาทะเป็นผู้สงบอบรมอินทรีย์แล้วมารดาบิดาพี่ชายของท่านตกยากเกิดในยมโลก เพราะทำกรรมชั่วไว้จึงไปเกิดในเปตตดโลกเปรตเหล่านั้นตกยากมีร่างกายเศร้าหมองอึดอัดด้วยของบูดเน่าลำบากยิ่งนักเปลือยกายสู้ผอมสะดุ้งหวาเสียวมากทำงานหนักไม่กล้าปรากฏตัวเปรตพี่ชายของท่านเพียงคนเดียวกล้าปเปลือยกายคลานไปแสดงตนแก่พระเถระในทางเปลี่ยวฝ่ายพระเถระก็ไม่ได้ใส่ใจถึงเดินผ่านไปอย่างสงบ เปรตนั้นจึงบอกให้พระเถระรู้ว่าข้าพเจ้าคือพี่ชายของท่านซึ่งไปเกิดในเปตาโลกท่านผู้เจริญมารดาบิดาของท่านตกยากเกิดในโยมโลกเพราะทำกรรมชั่วไวจึงต้องไปเกิดในเปนตะโลกเปร์มารดาบิดาของท่านเหล่านั้นตกยากมีร่างกายเศร้าหมองอึดอัดเลือของบูดเน่าลำบากยิ่งนักเปลือยกายสู้ผอมสะดุง้งวาเสียวมากทางานหนัก ไม่กล้าปรากฏตัวขอท่านกรุณาอนุเคราะห์ให้ทานอุทิศส่วนกุศลให้พวกเราพวกเปรที่ทํางานหนักจะเป็นอยู่ได้ด้วยทานที่ท่านให้แล้วพระเทระและภิกษุอื่นอีกสิองรูปเที่ยวบินธบาตแล้วกลับมาประชุมกันเพราะต้องทําพัฒกิจร่วมกันพระเถระกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นแม้ทั้งหมดว่าขอท่านทั้งหลายจงให้ปัตาหารตามที่ได้มาแก่ผมเถิด ผมจะทําสังพัปเพื่ออนุเคราะห์ญาติทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นจึงมอบถวายพระเทระพระเทระจึงนิมนต์สงมาแล้วถวายทานครั้นถวายแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ว่าขอผลทานนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายคือมารดาบิดาและพี่ชายของเราขอญาติทั้งหลายจงมีความสุขเถิดในลําดับที่พระเทระอุทิศส่วนบุญให้นั่นเอง โภชนะสะอาดปราณีสมบูรณ์พร้อมด้วยกับมีรสต่างๆได้เกิดขึ้นแก่เปรตเหล่านั้นหลังจากที่ได้ของกินนั้นเปรตผู้เป็นพี่ชายมีผิวพรรณดีมีกำลังมีความสุขก็มาแสดงตนกล่าวว่าท่านผู้เจริญดูเอาเถิดโภชนะมีมากมายแต่พวกเรายังเปลือยกายอยู่ขอท่านจงพยายามที่จะให้พวกเราได้ผ้านุ่งผ้าห่มเถิด พระเทระเลือกเก็บผ้าเก่าจากกองขยะเย็บผ้าเก่าให้เป็นจีวรแล้วได้ถวายสง์ผู้มาจากทิศ ท, ทั้งสครั้นถวายแล้วได้อุทิศส่วนกุศลให้ว่าขอผลทานนี้จงสําเร็จญาติาทั้งหลายคือมารดาบิดาและพี่ชายของเราขอญาตทั้งหลายจงมีความสุขเถิดในขณะที่พระเทระอุทิศส่วนบุญให้นั่นเองผ้าทั้งหลายก็เกิดมีแก่เปรตเหล่านั้น หลังจากได้ผ้าแล้วเปรตผู้เป็นพี่ชายนุ่งห่มผ้าสวยงามมีผิวพรรณดีมีกำลังมีความสุขได้มาแสดงตนแก่พระเถระกล่าวว่าท่านผู้เจริญผ้านุ่งผ้าห่มของพวกเรามีมากกว่าผ้าที่มีในแคว้นของพระเจ้านันทราชคือผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ้ายผ้าแม้เหล่านั้นเหลือเฟือและมีค่ามากข้อยู่ในอากาศนั่นเอง พวกเราเลือกนุ่งห่มเฉพาะผืนที่พอใจขอท่านจงพยายามที่จะให้พวกเราได้บ้านเรือนเถิดพระเถระสร้างกูดีใบไม้แล้วได้ถวายสงผู้มาจากทิศทั้งสครั้นถวายแล้วได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ว่าขอผลแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายคือมารดาบิดาและพี่ชายของเราขอพวกญาติจงมีความสุขเถิด ในขณะที่พระเถระอุทิส่วนบุญให้นั่นเองเรือนทั้งหลายคือปราสาทและที่อยู่อาศัยอย่างอื่นซึ่งจัดสร้างไว้เป็นสัด ส, ส่วนก็เกิดขึ้นเรือนในหมู่มนุษย์หาเป็นเช่นเรือนของพวกเราในเปตตาโลกนี้ไม่เรือนของพวกเราในเปตตาโลกนี้เหมือนเรือนในหมู่เทพเปล่งรัศมีรุ่งเรืองไปโดยรอบทั้งสี่ทิศขอท่านจงพยายามที่จะให้พวกเราได้น้ำเดิมเถิด พระเทระจึงตักน้ำเต็มธรรมกะรกแล้วได้ถวายสงฆ์ซึ่งมาจากทิศ ท, ทั้งสี่ครั้นถวายแล้วได้อุทิศส่วนกุศลให้ว่าขอผลทานนี้จงสำเร็จแก่พวกญาติของเราคือมารดาบิดาและพี่ชายขอพวกญาติของเราจงมีความสุขเถิดในขณะที่พระเทระอุทิศส่วนบุญให้นั่นเองน้ำาด่มก็เกิดขึ้นเป็นสาบโอกหรณีมีรูปสี่เหลี่ยมลึก ซึ่งบุญกรรมจัดสร้างไว้ดีแล้วมีน้ำเย็นมีท่าราบเรียบเย็นสบายมีกลิ่นหอมหาที่เปรียบไม่ได้ดารดาดด้วยดอกประทุมและอุบลผิวน้ำเต็มด้วยละองเกสรเปรตเหล่านั้นอาบและดื่มกินในสระนั้นแล้วแสดงตนแก่พระเทระกล่าวว่าท่านผู้เจริญน้ำดื่มของพวกเรามีมากเพียงพอแล้วบาปย่อมผลผลเป็นทุกข์แก่พวกเรา เมื่อพวกเราเที่ยวไปต้องเดินขยเกไปบนก้อนกรวดและหน่อ ย, ย่าคาขอท่านจงพยายามที่จะให้พวกเราได้ยานเถิดพระเทระได้รองเท้าแล้วได้ถวายสง์ผู้มาจากทิศ ท, ทั้งสี่ครั้นถวายแล้วได้อุทิศส่วนกุศลให้ว่าขอผลทานนี้จงสําเร็จแก่พวกญาติคือมารดาบิดาและพี่ชายของเราขอพวกญาติของเราจงมีความสุขเถิด ในขณะที่พระเทระอุทิสวนบุญให้นั่นเองเปรตทั้งหลายได้มาปรากฏพร้อมกับรถแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญพวกเราได้รับอนุเคราะห์ด้วยอาหารผ้านุ่งผ้าหม่มบ้านเรือนด้วยการให้น้ำดื่มและยานทั้งสองเพราะฉะนั้นพวกเราจึงมาเพื่อไหว้ท่านผู้เป็นมุนีมีความกรุณาในโลกสานุวาสีเทระเปตะวัตุที่สองจบ 3. รัฐการะเปติวัตุเรื่องนางเวมานิกเปรตผู้อาศัยอยู่ที่สระรัฐการมานบคนหนึ่งถามนางเวมานิกเปรดตนหนึ่งว่านางเทวีผู้มีอนุภาพมากเธอขึ้นวิมานที่มีเสาแก้วไพลทูนงามผุดพองแสนจงงดงามสถิตยอยู่ในวิมานนั้นดังดวงจันทร์ในวันเพ่นเด่นอยู่บนท้องฟ้า เธอมีรัศมีเรืองรองดังทองคํามีรูปโฉมเลอเลอิศหน่าดูหน้าชมยิ่งนักนั่งอยู่แต่ผู้เดียวบนบันลังอันประเสริฐสุดมีค่ามากเธอไม่มีสามีหรือสระบกขรณีของเธอเหล่านี้โดยรอบมีดอกไม้ต่างๆอยู่มากมีบัวขาวมากโดยรอบลาดด้วยทรายทองคําในสระบกกรณีนั้นหาเปือกตมและจอกแหนมิได้ และมีฝูงโง o น่าดูน่าชมน่ารื่นรมย์ใจว่ายเวียนอยู่ในน้ำไม่ขาสายทั้งหมดมีเสียงไพเราะพากันมาชุมนุมส่งเสียงร้องอย่างไพเราะดังเสียงกลองเธอรุ่งเรืองด้วยเทวริตมีบริวารยศยืนพิงอยู่ในเรือเธอผู้มีคิ้วโก่งดำสนิทมีหน้ายิ้มแย้มผู้จาน่ารักมีอายวะทุกส่วนงามรุ่งเรืองยิ่งนักวิมานนี้ปราศจากทุลี อยู่บนภาค พ, พื้นราบเรียบมีสวนป่าซึ่งชวนให้ยินดีเพลิดเพลินเจริญใจแนนารีผู้มองแล้วไม่เบื่อเราปรารถนาที่จะอยู่บันเทิงร่วมกับเธอในสวนนันทวันของเธอนี้นางเวมานิกะเปรกล่าวว่าท่านจงทํากรรมซึ่งจะให้ท่านได้เสวยผลในวิมานของฉันนี้และจิตของท่านจงน้อมมาในวิมานี้ด้วย ท่านครั้นทากรรมซึ่งเป็นเหตุให้ได้สวยผลในวิมานนี้แล้วจากได้ฉันผู้จะทำให้ท่านสมความปรารถนาได้ด้วยประการอย่างนี้มานพนั้นรับคำนางเวมานิกะเปรตนั้นแล้วจึงได้ทำกุศลกรรมซึ่งเป็นเหตุให้ได้สวยผลในวิมานนั้นแล้วก็ได้อยู่ร่วมกับนางเวมานิกะเปรตนั้นรัฐการะเปติวัตถุที่สจบภาณวาระที่สองจบ 4. ผู้สะเปตวัตถุเรื่องเปรต ก, กอบกแกลบพระมหาโมคคลาะเถระได้ถามถึงบุปกรรมของเปรตทั้งสี่ตนด้วยคาถาเหล่านี้ว่าท่านทั้งสี่ตนนี้ตนหนึ่งกอบเอากแกลบข้าวสาลีที่ไฟกำลังลุกโชนโปรยใส่ศีรษะของตอนเองอีกตนหนึ่งเอาค้อนเหล็กทุบศีรษะตนเองจนศีรษะแตกส่วนตนนี้เป็นหญิง กินเนื้อส่วนหลังและโลหิตของตนเองส่วนท่านกินคู่ซึ่งเป็นของไม่สะอาดไม่น่าปรารถนานี้เป็นผลกรรมอะไรนางเปรดซึ่งอดีตเคยเป็นพัญญาพ่อค้าโกงตอบว่าเมื่อก่อนผู้นี้ทำร้ายมารดาส่วนผู้นี้เป็นพ่อค้าโกงผู้นี้กินเนื้อแล้วแก้ตัวด้วยการกล่าวเท็จครั้งที่ดิฉันเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์เป็นหญิงแม่เรือน ใายกว่าทุกคนในสกุลเมื่อสิ่งของที่ชนเหล่าอื่นขอได้ยังมีอยู่ก็เก็บส่อันเสียโดยคิดว่าเราจะไม่ให้อะไรอะไรจากของที่มีอยู่นี้ปกปิดไว้ด้วยการกล่าวเทจว่าในเรือนของเราไม่มีสิ่งนี้ถ้าเราปกปิดของที่มีไว้ขอคูดจงเป็นอาหารของเราเพราะวิบากทั้งสองคือวิบากแห่งการกระทํานั้นด้วยวิบากแห่งการกล่าวเทจด้วย พัดข้าวสาลีที่มีกลิ่นหอมจึงกลับกลายเป็นคู่สำหรับดิฉันอันหนึ่งกรรมทั้งหลายไม่ไร้ผลเพราะกรรมย่อมไม่สูญหายฉะนั้นดิฉันจึงต้องทั้งกินทั้งดื่มคู่ซึ่งมีกลิ่นเหม็นมีนอนผู้สะเปตวัตถุที่สี่จบ